ทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราทำบุญทำทานกันทำไมจึงสอนให้เรารักษาศีลกันทำไมจึงสอนให้พวกเรานั่งสมาธิกันทำไมจึงสอนให้พวกเราสร้างปัญญากันก็เพราะว่าเป็นประโยชน์กับจิตใจเหมือนกับ อาหารที่เป็นประโยชน์กับร่างกายเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคที่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพร่างกายต้องการปัจจัยสี่จิตใจก็ต้องการธรรมะสี่ประการ เหมือนกันถึงจะอยู่อย่างลมเย็ยนเป็นสุขจิตใจของเราถ้าขาดการทำบุญทาทานก็เหมือนกับร่างกายที่ขาดอาหารใจที่ไม่ได้ทำบุญทาทานนี้จะมีความหิวโหวยอยากได้กับสิ่งต่างๆ อยากได้ลาบยศสารเสริญอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสพเสพเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเพราะว่าลาบยศสารเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไม่ได้เป็นอาหารของใจนั่นเองแต่เป็นยาเสพติด ถ้าเราไม่ให้อาหารกับร่างกายแล้วเราให้ยาเสพติดกับร่างกายร่างกายจะเป็นอย่างไรคนที่ติดยาเสพติดนี่มักจะสู้ผอมเพราะเขาหิวกับยาเสพติดมากกว่าที่เขาหิวอาหารเวลาที่เขา มีเงินแทนที่เขาจะไปซื้ออาหารมารับประทานเขากลับไปซื้อยาเสพติดมาระมาเสพเพราะความต้องการยาเสพติดไม่มีมากกว่าความต้องการอาหารเพราะเวลารับประทานอาหารมันไม่สุขเหมือนกับการเสพยาเสพติด จะว่าสุขก็ไม่เชิงเพราะว่าที่ต้องซื้อยาเสพติดเสบยาเสพติดแทนอาหารเพราะความหิวทางอาหารมันไม่ทรมานเหมือนกับความหิวทางยาเสพติดคนที่ติดยาเสพติดถึงแม่ร่างกายจะหิวแต่ก็ไม่ทุนแรงเหมือนกับใจที่หิวยาเสพติด ก็เลยต้องซื้ อ, อยาเสพติดมาเสพกันยอมอดยอมอดอาหารอไม่กินอาหารไม่เป็นไรแต่ไม่ได้เสพยาเสพติดนี่มันทรมานอนี่คือถ้าเราไม่ทําบุญทําทานกันเรากลับไปหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรส ใจของเรานี้จะไม่มีความอิ่มความพอได้ลาบยศสารเส ร, เริญได้รูปเสียงเกีนรตมามากน้อยเพียงไรก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอไปเที่ยวมากี่ครั้งก็ไม่อิ่มไม่พอไปชอปปิ้งมากี่ครั้งก็ไม่อิ่มไม่พอซื้อข้าวซื้อของอะไรต่างๆมามากน้อยเพียงไร ก็จะไม่อิ่มไม่พอคนจึงมีข้าวของเต็มบ้านไปหมดล้นบ้านเสื้อผ้าล้นบ้านรองเท้ากระเป๋าของประดับต่างๆสร้อยเอ่ยแหวนเอ่ยกำไลเอ่ยนาฬิกาเอ่ยเต็มไปหมดแต่ใจไม่รู้สึกอิ่มรู้สึกพอ จากการที่ได้ซื้อของเหล่านี้ของในบ้านนี้เต็มไปหมดของดูของกินของดื่มของอะไรต่างๆของที่เสพด้วยตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละคือยาเสพติดของใจที่พวกเราเสพกันอย่างมึนเมาอย่างไม่รู้สึกตัวไม่รู้ว่าเป็นพวกติดยากัน เพราะว่าเราไม่ให้อาหารของกับใจนั่นเองอาหารของใจเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรอาหารของใจก็คือการทำบุญทำทานนี่เองถ้าเราเอาเงินทองที่ไปซื้อยาเสพติดมาซื้ออาหารให้กัใจรับรองเดี๋ยวใจของเราก็อิ่มพอขึ้นมา อยู่แบบไม่ต้องมีข้าวของอะไรมากมายกายกองก็อยู่อย่างมีความสุขมีความสุขมากกว่าคนที่มีข้าวของเงินสิ่งของต่างๆ่แต่ใจไม่อิ่มมีรถกี่คันใจก็ไม่อิ่มมีบ้านกี่หลังใจก็ไม่อิ่มมีอะไรต่างๆที่มีกันเนี่ย ดูพวกเศรษฐีบางคนมีรถเป็น10ิบสิคันมีก็ไม่อิ่มไม่พอเดี๋ยวมีรุ่นใหม่ออกมาก็อยากได้อีกลมีมือถือกี่เครื่องก็ไม่พอเดี๋ยวนี้มีมือถือกันกี่เครื่องมีไอมีมือถือแล้วก็ต้องมีแท็บเล็ตมีแท็บเล็ตแล้วก็ต้องมีแล็ปท็อป มีกันหลายอย่างหลายชนิดด้วยกันมีมากท่าหลก็ยังไม่อิ่มไม่พอเพราะไม่เคยทำบุญทำทานกันหรือทำน้อยทำแบบงานทีปีหนุนไว้รอปีใหม่ก่อนค่อยทำบุญกันไว้รอวันเกิดก่อนค่อยทำบุญกันไว้รอวันาทางศาสนาก่อน เวลาทำก็ทำจิบจ้อยทำพอหอมปากหอมคอไม่เหมือนกับเวลาเอาเงินไปซื้อยาเสพติดซื้อเป็นล้านซื้อบ้านเป็นล้านซื้อนถเป็นล้านเวลาทำบุญพันสองพันร้อยสองร้อยใจมันเลยหอมกระหลงหิวโหวยอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่ได้ให้อาหารกับใจ กลับไปให้ยาเสพติดซื้อยาเสพติดเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแต่เวลาซื้ออาหารให้กับใจซื้อทีละล้อยสองร้อยนี่แหละมันจึงทำให้ใจของพวกเราที่ไม่ได้ทำบุญทาทานกันนี้หิวโหยอยากได้สิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลาได้มากเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอ ไปเที่ยวมากน้อยเพียงไรก็ไม่อิ่มไม่พอคราวนี้ไปญี่ปุ่นเดี๋ยวคราวหน้าต้องไปเกาหลีพอไปเกาหลีแล้วเดี๋ยวต้องไปเมืองจีนไปเมืองจีนแล้วเดี๋ยวต้องไปไปทางยุโรปเนี่ยมีญาติโยมคนหนึ่งมาทําบุญเป็นประจําแต่ทํานิดหน่อย แต่ไปเที่ยวนี้ไปเป็นประจำไปไกลๆไปที่หนึ่งไปยุโรปไปสเปนไปกรีกไปอังกฤษไปนู่นกลับมาอยู่ได้ไม่กี่วันไปอีกแล้วพอลองมันไปแล้วมันติดพวกที่เป็นไกด์ชอบพวกที่ขายทัวร์ชอบคนติดเที่ยวนี่ชอบยิ่งติดยิ่งดี ยิ่งจะได้มีรายได้นี่คือถ้าไม่ทำบุญแบบที่เราไปเที่ยวไม่มีใจเราจะไม่มีวันอิ่มถ้าอยากจะดูว่ามันอิ่มไหมลองวันวันไหนอยากจะไปเที่ยวเอาเงินที่จะไปเที่ยวเอาไปทำบุญแทนวันไหนอยากจะซื้อมือถือเครื่องใหม่ ทั้งๆ ท, ที่เครื่องเก่ายัางใช้ได้ดีอยู่ก็ลองเอาไปลองเอาไปทําบุญทําทานดูแล้วใจจะเกิดความรู้สึกอิ่มขึ้นมาอย่างเร็วๆนี้มีข่าวว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมีลูกเล็กที่ต้องคอยอุ้มขึ้นเครื่องเครื่องบินลูกเป็นโรคเกี่ยวกับหืดหอบหายใจต้องมีถังออกซิเจนติดตัว จะพาลูกไปหาหมอที่โรงพยาบาลอีกเมืองหนึ่งต้องขึ้นเครื่องอก็ซือหอบข้าวของประหุงพลังมีชายคนหนึ่งเขาเขาอยู่เขาติดตั๋วชั้นหนึ่งเขาเห็นผู้หญิงลำความลำบากของผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยขอเปลี่ยนที่กันให้ผู้หญิงไปนั่งชั้นหนึ่งตัวเขาไปนั่งชั้นธรรมดา เขาบอกเขามีความสุขที่ได้ช่วยเหลือได้ได้ช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของคนอื่นว่านั่งชั้นหนึ่งหรือนั่งชั้นธรรมดาก็ไปถึงเหมือนกันแต่ความรู้สึกมันไม่เหมือนกันความรู้สึกที่ได้เสียสละได้ช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนยากลำบากกว่าเรา มันทำให้มีความรู้สึกมีความสุขมีความอิ่มใจมากนี่แหละคือตัวอย่างของการทำบุญทำบุญแล้วมันทำให้เรามีความรู้สึกที่ดีต้องทำบุญแบบเห็นกันแบบชัดๆถึงจะถึงจะถึงจะดีถ้าไปทำบุญแบบไม่รู้ว่าทำทำแล้วเงินนี้ไปไหนไปทำอะไรบ้าง บางทีมันก็ไม่อยากจะทำแต่ถ้าเห็นชัดๆเนี่ยขอทานโดนโซซัดโซเซมาซื้อข้าวให้มันกินเลี้ยงข้าวมันสักมื้อหนึ่งให้เขาได้อิ่มสักมื้อหนึ่งก็ยังดีมันจะเห็นชัดเลยบางทีเราไม่มีเงินเรามีอาหารอยู่จานหนึ่งก็ยินดีเสียสละไปยอมอดอาหารอดทางร่างกาย แต่เชื่อไหมว่าใจจะไม่หิวใจกับอิ่มอิ่มกว่าที่ได้กินอาหารอาหารจานที่ไม่ที่ไม่ได้เสียสละให้คนคนยากจนไปเห็นคนยากจนคนขอทานไม่มีข้าวกินเรามีข้าวอยู่จานหนึ่งเอายอมอันนี้อยอมอดซักมื้อหนึ่งเอาข้าวมื้อนี้ยกให้คนนี้ไป ถึงแม้ว่าร่างกายจะขาดอาหารบ้างแต่ใจนี่กลับได้ความอิ่มได้ความสุขแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน น, น, นี่แหละคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับใจถ้าเราก้าททำแบบก้าวทำแบบจริงๆไม่ได้ทำแบบพอหอมปากหอมคอทำไปตามธรรมเนียมประเพณีมันไม่เห็นผลเหมือนกับทำแบบ ทำแบบทุ่มเทลงไปยอมหมดเนื้อหมดตัวมันดูซิว่ามันจะเป็นยังไงจะเกิดความรู้สึกสุขใจอิ่มใจขึ้นมามเวลาเห็นใครทุกข์ยากเดือดร้อนลองช่วยเหลือเขาดูยามเสียสละการไปเที่ยวสักครั้งหนึ่งยามเสียสละกระเป๋าใบใหม่ที่อยากจะซื้อสักใบ ยอมเสียสละสร้อยสักเส้นหนึ่งที่จะซื้อมาของพวกนี้ได้มามันไม่มีความรู้สึกอะไรหรอกมันดีใจเดี๋ยวเดียวตอนที่ได้มาอู้สวยได้มาใส่มาห้อยคอหน่อยแต่ความรู้สึกจริงๆมันเป็นเหมือนกับควันไฟรู้สึกดีใจเดี๋ยวเดียวที่ได้ของที่อยากได้มา เดี๋ยวพอไปเห็นของใหม่ อ, อยากได้ขึ้นมากละความดีใจที่ได้จากของเก่าหายไปแล้วความอยากได้ของใหม่ทำให้ใจหดหดแล้วสิถ้าไม่ได้ขึ้นมานี่คือเรื่องของการทำทานเป็นอาหารของใจถ้าเราทำบุญทำทานแทนที่จะเอาเงินทองไปซื้อยาเสพติดให้กับใจ คือไปซื้อของฟุ่มเฟือยไปไปเที่ยวไปกินไปดืม่มแบบที่ไม่จำเป็นที่จะต้องกินต้องดืม่มแต่อยากกินอ ย, กอยากดื่มอยากดูอยากฟังอะไรก็เอาเงินไปซื้อกันอันนี้มันจะเกิดความสุขประดียวประเดาความดีใจเวลาไปเที่ยวนี้สนุกสนานเฮฮากัน พอกลับมาบ้านอยู่ตามลำพังก็รู้สึกเหงารู้สึกเศร้าซ้อยว้าเหวขึ้นมาแต่ถ้าไปทำบุญรับรองได้ไม่มีความรู้สึกเหงาไม่รู้สึกว้าเหวอไปทำบุญกลับมาใจมีความอิ่มเอิบใจคิดถึงบุญที่เราได้ทำนี่มันทำให้เรารู้สึกมีความสุขถึงแม้มันจะผ่านไปแล้วนานหลายวันเลื่อนหลายเดือน พอคิดถึงการเสียสละของเราการที่เราได้ช่วยเหลือให้คนที่เขาทุกข์ยากเดือดร้อนได้บรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนลงไปละเกิดความรู้สึกอิ่มเอิบใจขึ้นมาแล้วความอยากที่จะไปเที่ยวอยากจะซื้อของอะไรตามความอยากต่างๆนี่มันจะเบาลงไปต่อไปจะอยู่แบบไม่มีอะไรก็ได้ มีแต่สิ่งที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นก็พอสิ่งที่ไม่จำเป็นมีไม่มีมันไม่ต่างกันเนาะมีมีสร้อยหรือไม่มีสร้อยมันไม่ได้ต่างกันมีแหวนหรือไม่มีแหวนมันไมไ่ต่างกันตรงไห น, นมีก็เท่านั้นไม่มีก็เท่านั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสรงสอนให้พวกเราชาวพุทธถ้าอยากจะให้ใจเรา หิ่มใจเราสุขใจเราสบายไม่หิวโหวยกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไม่หิวโหวยกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ให้เรามาทำบุญทำทานกันแล้วจะทำให้เราสบายใจไม่ต้องคอยดิ้นหนอนไปหาเงินหาทองมาตอบสนองตันหาความอยากของเราความอยากมันขยายตัวไปเรื่อยๆ สมัยเป็นเด็กๆนี่ เ, เรามีไม่กี่บาทเราก็อยู่ได้ไปโรงเรียนพ่อแม่ให้เงินไปวันละห้าสิบบาทสามสิบบาทหรือเฟือ่อซื้อขนมกินซื้ออะไรนิดๆหน่อยๆก็มีความสุขได้อพอโตขึ้นมาพอมีงานทำมีเงินเดือนอทีนี้ความอยากมันเพิ่มเลยเเมีเงินมากก็อยากจะใช่มาก มีเท่าไหร่ก็ใช้ไม่พอสัทีมีสมัยเด็กๆมีแค่ไม่กี่สิบบาทก็มีความสุขพอ่าทำงานได้เงินเดือนแค่นี้ก็ใช้มันจนไม่พอใช้ได้เงินเดือนเพิ่มก็ไม่พอใช้อีกไม่ว่าจะมีรายได้มากน้อยเพียงไรถ้าไม่ควบคุมความอยากถ้าปล่อยใจใช้เงินตามความอยาก มันจะไม่พอใช้ไปเรื่อยๆไม่ว่าจะระดับไหนก็ตามระดับหมื่นระดับแสนระดับล้านมันก็ไม่พอใช้เพราะของที่มันจะซื้อมันมีราคาหลายระดับใช่ไหมรถราคาระดับหมื่นก็มีมอเตอร์ไซค์นี่ก็ระดับหมื่นพอมีระดับแสนก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้ต้องขี่รถเก๋งระดับแสนพอมีเงินล้านก็ขี่รถเก๋งระดับแสนไม่ได้ ต้องขี่รถเก๋งระดับล้านพอมีสิบล้านก็ขี่รถเก๋งระดับล้านไม่ได้ต้องขี่สิบล้านเมื่ก่อนเห็นมีโฆษนาบ้านอยู่หลังสองร้อยห้าสิบล้านซื้อไปทำไมอยู่ไปยงไงต้องของร้อยห้าสิบล้านเอ า, เอาเงินสองร้อยาสิบล้านไปสร้างบ้านให้คนอยู่ได้ต้องกี่พันคนบ้านละ ถ้าบ้านละหลังละล้านก็ได้ต้องสองรอยห้าสิบคนสองรอยห้าสิบครอบครัวคนที่เขาไม่มีที่อยู่อาศัยที่เขาทุกข์ยากเดือดร้อนซื้อไปทําไมสองร้อยห้าสิบล้านเวลา น, นอนหลับมันไม่รู้หรอกมันอยู่ในบ้านสองร้อยห้าสิบล้านเลยอยู่ในกระต๊อบเวลาหลับบางทีอยู่สองรอยห้าสิบล้านนอนไม่หลับกลัวไปหมดกลัวขโมยขึ้นบ้านกลัวอะไร คนที่นอนตะในกระตั้บนี่หลับสบายไม่กลัวอะไรเพราะไม่มีสมบัติเข้าวของเงินทองให้ใครมาขโมยนี่แหละคือการใช้เงินที่ถูกกับใช้เงินที่ผิดนที่เป็นมีผลกระทบต่อจิตใจใช้เงินที่ถูกต้องเอาไปทําบุญทําทานแล้วจะมีผลที่ดีต่อจิตใจใจอิ่มเอิบใจมีความสุขใจไม่หิวโหวย แล้วไม่ต้องไปแข่งกับชาวบ้านเขาถ้าใช้เงินตามความอยากนี่เดี๋ยวต้องไปแข่งกับคนอื่นเขาเรามีรถล้านหนึ่งเขามีสองล้านเดี๋ยวเราก็ต้องสู้กับเขานะต้องหารถสองล้านสามล้านมาขี่ล้ะมันจะแข่งกันไปเรื่อยมีบ้านห้าล้านเห็นเนอื่ยเ็ามีสิบล้านก็ต้องซื้อบ้านยี่สิบล้านมาแข่งกับเขานัน มันหนงกันโดยไม่รู้สึกตัวแล้วความสุขก็มีเหมือนกันอยู่บ้านห้าสิบล้านอยู่บ้านห้าล้านอยู่บ้านล้านหนึ่งเวลานอนหลับมันก็หลับเหมือนกันเป็นที่หลบแดดหลบฝนได้เหมือนกันแต่ทำไมต้องไปเสียเงินมากมายกายกองอย่างนั้น แตใจไม่มีความสุขไม่มีความอิ่มเอิบใจไม่มีความรู้สึกปลอดภัยยิ่งมีทรัพย์มีสมบัติมากความปลอดภัยความรู้สึกว่าปลอดภัยนี้ยิ่งน้อยลงไปความหวาดกลัวว่าจะต้องถูกเขามาแก่งแย่งมาป้นมาจี้มาทําโจรกรรมจะมีมากขึ้นไปไหนมาไหนไปคนเดียวไม่ได้ะ ต้องไปจ้างรอปะพมาติดตามมาคอยคุ้มกันคุ้มของกลัวเดี๋ยวเขาจะจับเราไปเรียกค่าถ่าย อ, อีกยิ่งมีเงินมากยิ่งเป็นเป้าของมิจฉาชีพมากนี่แหละทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามาทำบุญทำทานกันคนทำบุญทำทานนี่ไม่รวยนะอย่าอย่าไปคิดว่าเราทำบุญแล้วจะรวย สำหรับชาตินี้ไม่รวยถ้าจะรวยเป็นรวชาติหน้าเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารช <Yeah. S 1> าตินี้ไม่รวยแล้ยิ่งทายิ่งจน <c oughs> แ, ตแต่จนเงินแต่แต่รวยใจใจอิ่มอิ่มด้วยบุญอิ่มด้วยความสุขอิ่มด้วยความสบายใจไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากความวิตกกังวลห่วงใ ย, ยก็ไม่มาก มีทรัพย์สมบัติมากความวิตกกังวลก็มากแรงกาที่จะมาแทะมากัดมากินก็มากลองถูกรัตตลี่รางวัลที่หนึ่งดูเลยเดี๋ยวพี่น้องญาติเพื่อนฝูงไม่รู้โผล่มาจากไหนกันร้อยปีพันปีไม่เคยมาเยี่ยมกันเลยพอได้ข่าวว่าถูกรัตตรี่รางวัลที่หนึ่งนี่โอ้ยมาหากันแทนที่จะมีความสุขต้องคอย คอยตอบปฏิเสธเขาเขามาขอเงินขอทองขอความช่วยเหลือถ้าไม่ให้เขาก็โดนเขาด่าอีกเห็นไหมการมีเงินทองไม่มีความสุขหรอกถ้ามีความสุขพระพุทธเจ้าไม่ไปออกบวชอยู่เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมีประสาวะสามฤดูมีบริษัทบริวารมาคอยรับใช้ ตอบความสนองความอยากต่างๆทุกประการแต่พระองค์ก็ทรงเห็นว่ามันเป็นความสุขประเดียวประดาเป็นความสุขที่ต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆวันนี้จัดงานเลี้ยงเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าไม่ได้จัดงานเลี้ยงก็จะรู้สึกเงียบเหงาขึ้นมาทันทีต้องจัดงานอยู่เรื่อยๆต้องมีงานเลี้ยงอยู่เรื่อยๆแล้วก็ผ่านไปแล้วก็หมดไป แล้วพอมาเห็นสภาพของร่างกายว่าต่อไปต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทีนี้ก็เลยเกิดความปัญหาขึ้นมาแล้วสิพอมีมีสติขึ้นมาพอได้คิดว่าโอ้เราจะไม่ได้อยู่อย่างนี้ไปตลอดนะเราจะไม่ได้เป็นหนุ่มเป็นสาวอย่างนี้ไปตลอดต่อไปเราก็ต้องเป็นเหมือนพ่อแม่เราปู่ย่าตายายเราเจ็บเจ็บไข้ได้ป่วย มีความชลาทำอะไรไม่คล่องแคล่วว่องไวเนี่ยมันจะทำให้ถ้าคนคิดเป็นก็จะเห็นว่าการแสวงหาความสุขแบบนี้มันเป็นทางตันต่อไปมันจะแสวงไม่ได้ต่อไปเวลาที่ร่างกายมันแก่มันเจ็บมันตายนี่มันหมดนะความสุขต่างๆที่เคยหาได้ หรือบางทียังไม่ทันแก่ไม่ทันเจ็บไม่ทันตายถ้าเงินทองไม่พอใช้เงินทองหมดรายได้ไม่พอใช้รายได้ไม่พอกับรายจ่ายก็เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วพอไม่มีเงินท่าอย่างนี่ทุกอย่างหยุดชะงักหมดจะซื้อข้าวซื้อของจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ทำไม่ได้แล้วเพราะต้องใช้เงินทองกัน เนี่ยทำไมเราถึงต้องมาเครียดกับการทำงานหาเงินหาทองเพราะความอยากใช้เงินของเรานี่ยเป็นตัวคอยกดดันให้เราต้องไปคอยหาเงินหาทองอยู่เรื่อยๆแล้วดีไม่ดีก็อาจจะกดดันให้เราไปทำบาปกันเพราะเวลาหาเงินหาทองมันทีมันหายากถ้าหาโดยไม่ทำบาป ก็เลยหาเอาวิธีทำบาปดีกว่ามันง่ายกว่าโกงแล้วโกหกหลอกลวงได้เงินทองมามากมาง่ายได้โกหกหลอกลวงเขาหน่อยเขาจ้างให้ไปทำอะไรก็หลอกราคาโกงราคาขึ้นไปพอเขาเชื่อก็ได้กำไรไมาเยอะนี่ก็เป็นวิธีการ ที่จะดูดให้เราต้องไปทำในสิ่งที่ยิ่งเป็นโทษกับเรามากขึ้นโทษที่เกิดจากการต้องการใช้เงินตามความอยากทำให้เราหิวโหยแล้วถ้ามันทนไม่ไหวไม่พอใช้ก็อาจจะต้องทำให้เราไปทำบาปเพื่อหาเงินมาเพิ่มแล้วผลที่ได้จากการทำบาปก็ยิ่งมีความทุกข์ุ่นวายใจมากขึ้นมา ความวิตกกังวลความหวาดกลัวต่างๆตามมาอีกเยอะนี่เป็นเรื่องของการทำบุญทำทานที่พวกเราควรที่จะลองมาทดลองทำดูบ้างทลองทำดูสักไม่กี่ครั้งแล้วน่าจะเห็นผลมีเงินก็หนึ่งอยากจะไปเที่ยวที่ไหน ปีนี้งดเที่ยวสักครั้งหนึ่งวะเอาเงินนี้ไปช่วยคนที่เขาทุกข์ยากเดือดร้อนจริงๆให้เห็นผลทันตาเลยคนไม่มีเสื้อผ้าไม่มีผ้าหม่มไม่มีอะไรซื้อเสื้อผ้าซื้อเพื่อห่มให้เขาเรารู้นี่เวลามันหนาวมันเป็นยังไงเวลาไม่มีผ้าหม่มไม่มีเสื้อผ้าใส่พอเห็นคนที่เขาขาดแคลนได้รับการดูแลช่วยเหลือ มันจะทำให้เกิดความสุขมากกว่าความสุขที่เราได้จากการไปเที่ยวกันไปซื้อของฟุ่มเฟือยกันแล้วมันจะทำให้ความอยากไปเที่ยวนี้มันเบาลงถ้าทำบ่อยๆต่อไปมันเลิกเที่ยวได้เลิกซื้อของฟุ่มเฟือยได้แต่วันนี้ที่เรายังต้องเที่ยวกันต้องซื้อของฟุ่มเฟือยกันเพราะเราติดไม่ใช่อะไรหรอกเลิกไม่ได้เลิกยาก พอมีเงินล้ามือไม้ขันไปหมดจะหายขันก็ต้องให้มือมันออกไปจากมือเรานะถ้ายังอยู่ในมืออยู่ในกระเป๋ามันร้อนไปหมดร้อนด้วยความอยากเห็นในนูน่นเห็นในนี้ก็อยากได้ขึ้นมาต้องซื้อมันพอเงินหมดแล้วมันก็หายขันแต่ความอยากไม่หายอยากอีกเห็นอีกก็อยากอีกแล้วถ้าอยากมา ก, มาก ไม่มีเงินก็อาจจะไปขโมยเงินคนอื่นมาซื้อก็ได้หรือไม่ก็ไปขโมยของที่อยากได้บางทีคนเขาฝากของเราไปฝากเงินไปทำบุญแต่เราเห็นอยากจะเอาเงินไปซื้อของก็เลยเอาไปซื้อของก็ทำให้เราเสียเครดิตต่อไปไม่มีใครเขาเชื่อเราแล้วถ้าเขารู้ว่าฝากของฝากเงินไว้ใจไม่ได้ ต่อไปก็จะเป็นคนที่ไม่มีใครเขาจะเชื่อเครดิตจะไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยนี่นนี่คือโทษของการใช้เงินตามความอยากมันจะพดมันจะดึงมันจะดูดให้เราไปทำสิ่งที่เสียหายต่อไปแล้วประโยชน์ที่ได้รับความสุขที่ได้รับก็เป็นแบบควันไฟ ได้มาปั๊บเดียวเห็นไหมค ว, ควันไฟพอ ม, มันโผกขึ้นมาเดี๋ยวมันก็จางหายไปอย่างรวดเร็วซื้อเอาความสุขที่เราเกิดจากการทำบุญทำทานดีกว่าเราจะทำให้เราไม่มีความหิวโหวยไม่มีความอยากซื้อข้าวซื้อของที่ไม่จำเป็นต่างๆไม่มีความหิวโหวยอยากจะไปเที่ยวนำที่ต่างๆ ทำให้เวลาเราไม่มีเงินทองเราก็ไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปทําบาปไม่ต้องไปช่อกโกงไม่ต้องไปลักทรัพย์ไม่ต้องไปหลอกลวงผู้อื่นเพื่อที่จะเอาเงินมาตอบสนองตันหาความอยากของเราอนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราต้องทําบุญทําทานเพอทําบุญแล้วเหมือนกับให้อาหารกับ จิตใจเหมือนเหมือนกับร่างกายทำไมเราต้องกินอาหารทำไมเราไม่เสพยาเสพติดเพราะเรารู้ว่าเสพยาเสพติดมันจะทำให้ร่างกายเราสู้ผอมทำให้ร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตายได้คอนเสพยานี้อายุไม่ยืนหรอกถ้าเสพโดยที่ไม่สนใจกับการเลี้ยงดูร่างกาย สังเกตดูนคนสูบยาเสพยานี่ร่างกายจะสู้พ้อมเพราะไม่ค่อยคิดถึงเรื่องกินอาหารเท่าไหร่เพราะกินอาหารมันไม่อิ่มเหมือนกับเสพยาเสพยามันเวลาเสพแล้วเหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นแต่พอยาฤิดยาหมดก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นพอมันตกนรกมันก็ต้องรีบหายามาเสพเพื่อจะได้ดึงให้ขึ้นไปสวรรค์อีก เลยไม่สนใจเกี่ยวกับร่างกายกินบ้างไม่กินบ้างไม่เป็นไรแะ่เสพยานี้สําคัญกว่าถ้าต้องเลือกระหว่างกินอาหารกับเสพยามันต้องเสพยาก่อนอพวกเราก็เหมือนกันถ้าไม่ถ้าให้เลือกระหว่างทําบุญทําทานกับการใช้เงินตามความอยากก็เอาใช้เงินตามความอยากก่อน อ, อยากที่จะมาใช้เงินเพื่อทําบุญทําทาน อ, อย่างที่เป็น เป็นเรื่องเป็นราวทำบุญแบบพอหอมปากหอมคอนี่เราไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ถือไม่พูดถึงเนาะมันไม่เกิดประโยชน์มากอะไรนานทีเปโหนมาทักทำสักครั้งหนึ่งวันเกิดทําสักครั้งหนึ่งวันปีใหม่ทำสักครั้งหนี่งอันนี้เรียกว่าทําแบบแบบพอหอมปากหอมคอเท่านั้นเองไม่ทําแบบจริงๆอย่างจังจ ทำแบบจริงๆอย่างจังต้องเอาเงินที่เราจะไปใช้ตามความอยากนี่ไปทําบุญนะแล้วมันจะทําเยอะทํามากทําบ่อยเพราะเงินส่วนใหญ่ที่เราหามาได้นี่หมดไปกับการใช้กับความอยากทั้งนั้นะไม่ได้ใช้กับความจําเป็นความจําเป็นก็มีไม่มากอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรค พอมีจำนวนพอประมาณก็อยู่ได้แล้วมีบ้านก็ก็อยู่ได้แล้วมีเสื้อผ้าไม่กี่ชุดก็อยู่ได้แล้วอาหารกินวันน้ำกินละสามือ้อถ้ากินอาหารแบบราคาถูกๆก็อยู่ได้แล้วเะั้นเงินทองรายได้ของเราที่ได้มาส่วนใหญ่นี้ไม่ได้หมดไปกับปัจจัยสีปัจจัยสี่อาจจะหมดไปหนึ่งในสาม หรือหนึ่งในห้าแต่ที่เหลือนี่ไปใช้ตามความอยากต่างๆันอยากได้อะไรอยากซื้ออะไรก็ซื้อกันไปซื้อแล้วก็ไม่พอสักทีเดี๋ยวก็อยากจะซื้อเพิ่มอีกนี่แหละเรื่องของการทำบุญทำทานลองทำทำแบาบปจริงๆจังๆทำแบาบปกินอาหารดู กครังอยากจะไปเที่ยวเอาเงินไปเที่ยวไปทำบุญอยู่บ้านดูหรือไปอยู่วัดก็ได้ไปวัดก็ไปทำบุญแล้วก็อยู่วัดเลยช่วงวันหยุดหลายๆวันแนทนที่จะไปเที่ยวไปเที่ยวหมดเงินไปหลายเอาเงินที่จะหมดนียไปลองไปทำบุญดูไปอยู่วัดก็ได้ไปทำบุญที่ไหนก็ได้ที่เราเห็นผลทันตาที่เราอยากจะได้สัมผัสกับ ผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำบุญลองไปทำบุญชนิดที่เห็นผลทันตาไปถ่ายวัวถ่ายควายก็ได้ปล่อยนกปล่อยปลาก็ได้ไปช่วยเหลือคนยากจนก็ได้ช่วยเหลือคนทุกข์ยากเดือดร้อนมันทำแล้วมันจะเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาแล้วมันจะเลิกเที่ยวได้เลิกซื้อของตามความอยากต่างๆได้ มีของมากของน้อยมันไม่ทําให้ใจสุขมากสุขน้อยตามเข้าของที่เรามีหรอกความสุขมากสุขน้อยอยู่ที่ทําบุญทําทานมากทําบุญทําทานน้อยมากกว่าไม่เชื่อลองทําดูลองเอาปีใหม่นี้ลองเป็นที่ตั้งว่าปีใหม่นี้จะเอาเงินที่จะไปซื้อของไม่จาเป็นเอาเงินไปเที่ยวนี้ไปทาบุญให้หมดดูเลย ลองงดเที่ยวสักปีงลองงดซื้อของไม่จำเป็นสักปีหนึ่งดูนะไม่ตายหรอกไม่มีของที่ไม่จำเป็นไม่มีเพชรไม่มีสร้อยไม่มีแหวนไม่มีอะไรไม่จำเป็นอันไหนที่ไม่จำเป็นไม่ต้องไปซื้อมันดูปีใหม่นี้ลองตั้งสัจจะอธิษฐานดูคนเรามักจะชอบเริ่มต้นที่ปีใหม่กันปีใหม่ปีนี้เราจะทาสิ่งที่ดีที่งามให้กับเรา ลองเอามาตั้งอยู่ที่การทําบุญทําทานดูว่าต่อไปนี้จะทําบุญทําทานเงินทองที่จะไปซื้อของตามความอยากต่างๆซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆจะเอาไปทําบุญให้หมดเราดูซิว่าจิตใจจะมีความสุขไหมเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วที่ใช้เงินตามความอยากต่างๆรับนองได้ว่าจะเห็นผลแตกต่างกันขึ้นมาในใจทันที อันนี้คือความหมายของการทำบุญทำทานคือให้อาหารนั่นเองให้อาหารกับใจจะทำให้ใจเราอิ่มใจเราสุขไม่หิวโหวยกับของที่ไม่จำเป็นต่างๆไม่หิวโหวยกับการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอันนี้คือข้อที่หนึ่งปัจจัยที่จำเป็นต่อจิตใจให้จิตใจอิ่มมีความสุขคือการทำบุญทำทาน ข้อที่สองออทําไมเราพระพุทธเจ้าจึงให้เราราักษาศีลเพราะศีลก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าผรของร่างกายทําไมเราต้องมีเสื้อผ้าใส่ให้กับร่างกายทําไมไม่เดินเป็นชีเปลยกันทําไมไม่อยู่แบบชีเปลยกันก็เพราะว่ามันเป็นอันตรายต่อร่างกายร่างกายต้องมีอะไรคอยปกปิดหุ้มหอ่อเดี๋ยวมลังสัตว์กัดต่อยเหมือนกัด ทำให้เกิดแพ้เกิดอะไรได้เกิดโรคได้ถ้ามีเสื้อผ้าผ่อนใส่เหมือนก็ช่วยได้แล้วอากาศหนาวเย็นก็เหมือนกันถ้าร่างกายถูกอากาศหนาวเย็นมากๆเดี๋ยวก็เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาได้นอกจากเป็นเสื้อผ้าผ่อนสำหรับรักษาร่างกายแล้วยังเป็นเครื่องประดับของร่างกายด้วยทําไมเราจึงเลือกเสื้อผ้าผ่อนสวยๆงามๆใส่กัน พอเราอยากจะดูสวยอยากจะให้คนเขาชอบเราใช่ไหมถ้าเราแต่งกายสวยๆแต่งกายภูมิฐานเนี่ยไปไหนมีคนคอยต้อนรับอย่างดีลองใส่สูทเข้าไปตามโรงแรมมีคนคอยเปิดประตูให้ถ้าลองใส่ชุดที่มาวัดไปโรงแรมดูคนเดี๋ยวเขาไล่กลับ นี่ทำไมเราถึงต้องมีเสื้อผ้าภารณ์เพราะมันเสริมบุคลิกของเราเสริมความสวยความงามของเราและปกป้องร่างกายของเราไม่ให้ถูกภยัยต่างๆคุกคามใจเราก็เหมือนร่างกายก็ต้องการเสื้อผ้าผา่อ์เสื้อผ้าผรอก็คือศีล น, นี่แหละศีลห้าศีลแปดคนที่มีศีลนี่เป็นคนสวยงามไหม αι? ระหว่างคนที่มีศีลกับคนไม่มีศีลใครจะน่ารักกว่ากัน ระหว่างคนที่โกหกกับคนไม่โกหกระหว่างคนที่โกงกับไม่โกงเนี่ยจะเอาคนไหนระหว่างคนกินเหล้าเมากับคนไม่กินเหล้าเมาอันนี้แหละคือความสวยงามของของใจอยู่ที่การมีศีลถ้าเรามีศีลนี่ถึงแม้ร่างกายของเราจะไม่สวยงามว่วนตุ้ยเหมือนตุ่มแต่ก็จะไม่มีคนรังเกียจ จะไม่คนชอบเพราะไว้ใจได้เชื่อใจได้อยู่กับเขาเราสบายใจเขาไม่โกงเราเขาไม่ขโมยข้าวของเราเขาไม่แย่งผัวแย่งเมียเราดีกว่าคนที่แต่งตัวสวยรูปร่างหน้าตาสวยเครื่องประดับเยอะแยะแต่ไม่มีศีลนี่อันนี้อันตรายกว่าเดี๋ยวเผลอเขาก็โกงเราหลอกเราได้เผลอเผอก็ขโมยข้าวของเงินทองเราเพลอเผอก็ไป ม, มีอะไรกับแฟนเราได้ นี่คือความสวยงามของคนเราสวยที่ศีลไม่ได้สวยที่เสื้อผ้าพรสวยไม่ไม่สดไม่ได้สวยทางร่างกายพูดง่ายๆต่อให้สวยทางร่างกายขนาดไหนเดี๋ยวไม่นานมันก็หนีความแก่ไม่พน้นเดี๋ยวต่อไปผมก็ต้องหงอกหนันก็ต้องเหี่ยวหนันก็ต้องคล่อมแล้วตอนนั้นความสวยงามหายไปหมดแล้ว แต่ถ้ามีศีลอยู่แก่ขนาดไหนก็ยังน่ารักอยู่เหมือนเดิมศีล น, นี่เป็นความสวยแบบสวยไม่สั่งถ้าเป็นดอกไม้ ก, ก็บานไม่รู้โรยนองสวยที่ศีลอย่าไปสวยที่เสื้อผ้าผ่อนนี่คือทำไมเราจึงต้องรักษาศีลกันเพราะรักษาศีลล้วจะคุ้มครองจิตใจเราเสริมความสวยงามของจิตใจของเรา คุ้มครองภัยอย่างไรคนที่ไม่ทำบาปนี้อยู่สบายไม่ถูกคนอื่นมาคุกคามถ้าไปทำบาปแล้วเดี๋ยวต้องมีคนมาจองเวรจองกรรมกันเราไปทำร้ายเขาเดี๋ยวเขาก็ต้องมาทำร้ายเราเราไปโกงเขาเดี๋ยวเขาต้องมาตามมาจับเรามาเถองหนี้เราอยู่ไม่เป็นสุขคนที่ทำบาปพูง้ง่ายๆแต่คนที่ไม่ทำบาปนี้อยู่สบายไม่เดือดร้อน ไม่มีใครเขาจะมาตามจองล้างจองผ่านจองเวรจองกรรมกับเราเพราะเราไม่ได้ไปทําให้ใครเสียหายเดือดร้อนนั่นเองนในขณะที่มีชีวิตอยู่แล้วตายไปยังมีภัยคุกคามอีกสําหรับใจใจเรานี่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเวลาร่างกายตายไปแล้วใจยังถูกยังถูกคุกคามได้ถ้าทําบาปก็จะมีภัยที่เรียกว่าอบายมาคุกคามจิตใจ ใจที่ทำบาปนี้ไปสวรรค์ไม่ได้ไปเป็นมนุษย์ไม่ได้ต้องไปใช้บาปก่อนบาปก็มีอยู่สี่ที่เรียกว่าอบายสี่ไปเป็นเดรัจฉานก่อนไปเป็นเปรตก่อนไปเป็นนสุลกายก่อนไปอยู่ในนรกก่อนจนกว่าบาปที่ที่ทาไว้หมดลงจึงจะสามารถกลับมาอยู่เป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่ได้ แต่ถ้ารักษาศีลได้ตายไปไม่ต้องไปอบายเลยถ้าไม่ได้ทำบุญก็กลับมาเป็นมนุษย์ทันทีถ้าได้ทำบุญด้วยรักษาศีลด้วยก็ไปเป็นเทวดาก่อนพอบุญที่ส่งไปเป็นเทวดาหมดกำลังลงก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่อนี่คือจิตใจทำไมเราจึงต้องมีรักการรักษาศีลกันเพราะศีลเป็นเหมือนเสื้อผ้ า, อาปอนที่จะปกป้องคุ้มครองจิตใจ เห็นไหมพวกตำรวจเวลาเขาไปปฏิบัติการทําไมเขาต้องใส่เสื้อเกาะกันเพื่อจะได้เวลาถูกเขายิงจะได้ไม่จะได้ไม่เจ็บไม่ตายเพราะมีเกราะคอยป้องกันอยู่ถ้าไม่มีเสื้ อ, อเกาะพอเขายิงเข้ามาที่อกก็ถูกหัวใจก็ตายเลยแต่ถ้าใส่เสื้อเกะซะหน่อยออปลอดภยัยถูกยิงก็กระสุนก็ไม่เข้าถึงเนื้อ อันนี้ก็เหมือนกันศีลก็เป็นเหมือนเสื้อผ้ า, อาพรที่คอยคุ้มครองจิตใจของเราให้อยู่อย่างปลอดภัยอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างที่อยู่แบบมีคนชอบมีคนรักไม่มีใครเกลียดไม่มีใครชังอันนี้คือความสวยงามด้วยศีลนี้เป็นเป็นเครื่องเครื่องเสริมความงามของจิตใจ และเป็นเสื้อผ้าพรไว้ปกป้องรักษาจิตใจไม่ให้ตกไปอยู่ในที่ต่ําไม่ให้ต้องไปเกิดในอบายอันนี้คือทําไมเราจึงต้องมารักษาศีลกันะแล้วเราทําไมเรื่ึงต้องมาฝึกนั่งสมาธิมาถือศีลแปดกันก็เพราะว่าการถือศีลแปดการ น, นั่งสมาธินี้จะทําให้เรามีบ้านอยู่ทําให้ใจเรามีบ้าน ทำบุญทำทานรักษาศีนี้ยังไม่มีบ้านถ้าอยากจะปลอดภัยมากกว่าจากการที่มีเสื้อผ้าคุ้มของก็ต้องมีบ้านกันเราถึงต้องหาที่อยู่อาศัยกันเพราะเสื้อผ้าการแดดกันฝนไม่ได้เอการภัยต่างๆไม่ได้ถ้าอยากจะให้ป้องกันภัยให้มากกว่านี้เราก็ต้องสร้างบ้านอยู่กัน ถ้าอยู่บ้านแล้วมันจะปลอดภัยมากกว่าเวลามีพายุฝนมีอะไรมีพายุมีเหตุการณ์ภายนอกวุ่นวายมีโจรป้นกันมีอะไรกันถ้าเราหลบเข้าบ้านได้เราก็จะปลอดภัยถ้าเราไม่ได้มีบ้านหลบเดี๋ยวก็ต้องโดนลูกหลงเวลาเขามีเรื่องมีอะไรกันข่าวภายนอกภายนอกบ้าน เราเลยต้องมีที่อยู่อาศัยกันร่างกายต้องมีที่อยู่อาศัยใจก็ต้องมีที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยของใจก็คือสมาธินี่เองสินแปดกับสมาธินี้ไปด้วยกันถ้าอยากจะนั่งสมาธิต้องถือศินแปดด้วยถึงจะนั่งได้ถึงจะมีเวลามานั่งเพราะถ้าไม่ได้ถือสินแปดนี้ถ้าถือสินห้านี้มันจะ ไม่ได้ห้ามให้เราไปออกไปวุ่นวายข้างนอกนั่นเองยังออกไปเที่ยวได้ยังออกไปหาความสุขต่างๆได้แต่ถ้าเราอยากจะให้ใจเข้าไปอยู่ในบ้านเราต้องถือศีลแปดห้ามไม่ให้ออกข้างนอกให้เข้าข้างในแล้วก็มานั่งสมาธิใช้สติคอยควบคุมใจพุทโธพุทโธให้หยุดความคิดหยุดความอยาก ใจของเราที่วุ่นวายเดือดร้อนไม่ใช่เพราะว่าคนนั้นคนนี้หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ที่เราวุ่นวายเพราะเราไปคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็เกิดความอยากกับคนนั้นคนนี้อยากกับสิากาก่งนั้นสิ่งนี้อยากให้กห็เป็นอย่างนั้นอยากให้ก็เป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นเราก็วุ่นวายใจขึ้นม า, อ, าอยากให้แฟนซื่อสัตว์กับเราพอเาไม่ซื่อสัตว์กับเราเราก็วุ่นวายใจขึ้นมา อยากให้ลูกเชื่อฟังเราพอก็ไม่เชื่อฟังเราเราก็วุ่นวายใจขึ้นมาอยากให้เหตุการณ์อยากให้เศษรษฐกิจดีพอเศษรษฐกิจไม่ดีก็วุ่นวายใจขึ้นมาแต่ถ้าเราเข้าไปในสมาธิหยุดคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้เราความวุ่นวายใจหายไปหมดอใครจะเดื้อใครจะเลว ใ, ใครจะชั่วเ ศ, ษเศษรษฐกิจจะขึ้นจะลง ถ้าเราไม่ไปคิดถึงมันใจเราจะไม่วุ่นวายที่เราวุ่นวายเพราะเราไปคิดถึงมันแล้วก็ไปอยากให้มันเป็นตามความอยากของเราความมันไม่เป็นตามความอยากเราก็เลยวุ่นวายใจกันถ้าเราวุ่นวายใจกับคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ถ้าเรามีสมาธิเราก็จะมีที่หลบ เรื่องราวต่างๆก็เหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกบ้านถ้ามีฝนฟ้าอากาศมีพายุมีอากาศร้อนพอเรากลับเข้าบ้านได้นี่มีเครื่องปรับอากาศเปิดเครื่องปรับอากาศ <c oughs> ก็เย็นสบายก็มาฝนฟ้าตกก็ไม่ไม่เปียกลมพัดก็ไม่ไม่ถูกพัดไปะ พรามีบ้านอยู่อาศัยสมาธิก็เหมือนกันจะทำให้เรื่องวุ่นวายใจต่างๆนี้หายไปถ้าเวลาเราเข้าไปในสมาธิแล้วเรื่องวุ่นวายใจต่างๆที่เราไปรับรู้มานี้มันจะหายไปหมดพราะเราหยุดไปรับหยุดหยุดรับรู้เรากลับเข้าไปในบ้านเหตุการณ์นอกบ้านเราไม่สนใจอันนี้คือบ้านของเราสมาธิถ้าเราฝึกสมาธิเป็น เวลาที่ไหนเวลาเราไม่สบายใจเมื่อไหร่เราสามารถกลับเข้าไปในบ้านเราได้ทันทีไปนั่งสมาธิพุโทโธพุโทโธเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวใจสงบความไม่สบายใจก็จะหายไปนี่คือบ้านที่จะทำให้คุ้มครองใจของเราเวลาที่เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรไม่รู้จะทำอย่างไรก็เข้าไปบ้านก่อนเข้าไปในสมาธิก่อน หยุดความวุ่นวายใจได้ชั่วข่าวแต่ยังไม่หยุดแก้ปัญหาได้อย่างถาวรเพราะปัญหาที่มันเกิดขึ้นนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับคนนั้นกคนนี้มันเกิดขึ้นกับเชื้อโรคที่มีอยู่ในใจเราเวลาเราเข้าสมาธิเราเพียงระ ง, งับเชื่อโรคไว้เชื้อโรคไว้ชั่วข่าวเหมือนเชื้อโรคเอชทุกวันนี้เดี๋ยวนี้คนไม่ตายด้วยโรคเอชแล้วเพราะเขามียามียาต้านแต่ ยาย่างทำลายโรคไม่ได้ถ้าหยุดกินยาเมื่อไหร่เดี๋ยวโรคมันก็กําเริบขึ้นมาได้สมาธิก็เหมือนกันสมาธิก็ช่วยป้องป้องจิตใจไม่ให้วุ่นวายได้เป็นพักๆเวลาวุ่นวายใจก็เข้าไปในสมาธิก็หายวุ่นพ อ, อ, อจากสมาธิมาพอไปเจอเรื่องวุ่นวายก็วุ่นวายขึ้นมาอีกได้ถ้าอยากจะให้ใจนี้ไม่วุ่นวายเลยต้องใช้ต้องใช้ปัญญา ที่เปรียบเหมือนยารักษาร่างกายถ้าไปถ้าไปหายาชนิดที่ฆ่าเชื้อเอดได้ก็กินหนเดียวพอเชื้อเอดตายหมดแล้วโรค ก, ก็หายได้ปัญญานี้จะเป็นตัวที่จะมากำจัดเชื้อโลกตัวที่ทำให้จิตใจเราวุ่นวายใจไม่รู้จักจบจากสิน้น ใจเราเวลาออกจากสมาธิมาพอไปเจอเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาก็วุ่นวายใจขึ้นมาอีกแต่ถ้าเรากินยาคือปัญญาได้ต่อไปเราจะไม่วุ่นวายใจกับเหตุการณ์ต่างๆเพราะว่าปัญญาจะมาทำลายเชื้อโรคตัวที่สร้างความวุ่นวายใจให้ให้หายไปหมดนั่นเองตัวที่สร้างความวุ่นวายใจก็คือกิเลสตัณหาของเรานี่แหละความอยากต่างๆ อยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้พอไม่ได้ก็วุ่นวายใจกันขึ้นมาเสียหกเสียใจขึ้นมาโกรธกันขึ้นมาถ้าอยากจะ ห, หายโกรธถ้าอยากจะไม่ให้เกิดความโกรธไม่ให้เกิดความเสียใจอย่างถาวรเราต้องกินยาปัญญาปัญญาจะสอนให้เราเห็นว่าความความทุกข์ความวุ่นวายใจของเราเกิดจากความอยากของเรา แล้วถ้าเราอยากจะเลิกความอยากเราก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากนี่มันเป็นทุกข์มันไม่เป็นสุขหรอกมันเป็นความสุขปลอมที่หุ้มห่อความทุกข์ไว้ของต่างๆที่เร า, เราคิดที่เราอยากได้นี่เรามักจะคิดว่าเราได้มาแล้วเราจะมีความสุขกันแต่ที่ไหนได้พอได้มาแล้วกลับต้องมาน้ำตาตกในตกน้ำตาตกในในทีหลังเห็นไหม เวลาอยากได้แฟนก็คิดโอ้ว่ามีแฟนแล้วจะมีความสุขจะอยู่กันไปจนวันตายจะสุขกันไปจนวันตายที่ไหนได้ม้อข้าวยังไม่ทันดามตีกันละทะเลาะกันละใช่ไหมน้องหมน้องห้ากันละด่ากันละว่ากันละบางทีก็ต้องวิ่งหนีกลับไปหาแม่หาพ่อหาแม่กัน หนีจากพ่อแม่มาไปไปอยู่กับแฟนคิดว่าจะได้อยู่กับแฟนนานอยู่ไปไม่กี่วันอา้าวทะเลาะกับแฟนก็หนีกลับไปหาพ่อหาแม่ดีกว่านะเนี่ยเพราะพ่อไม่คิดก่อนล่วงหน้าว่ามันเป็นทุกข์นะการมีคู่ครองมันไม่ใช่สุขนะมันเจอแล้วมีความทุกข์หลายอย่างเดี๋ยวก็ต้องทะเลาะกันละเพราะต่างฝ่ายต่างเอาใจตัวเองเ ข, เ, อเขาก็จะเอาใจเขาเราก็จะเอาใจเราะ พอมันไม่ใจไม่ตรงกันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้นะเวลารู้จักกันใหม่ๆนี่ต่างฝ่ายต่างเอาใจกันเกรงใจกันใช่ไหมเขาอยากได้เออเอาดีเราอยากได้แล้วก็เออดีไปกันได้แต่พออยู่กันไปสักพักนี้มันไม่เอาแบบนี้แล้วสิต่างฝ่ายต่างจะเอาใจตัวเอง ชั้นยาวของฉอังนนี้เธอจะว่าไงผมก็ยาวของผมอย่างนี้คุณจะว่ายไงเดี๋ยวก็ยังก็อย่ า, อ ย, าอยู่ด้วยกันน่นะนี่แหละคือความทุกข์ที่เรามองไม่เห็นกันเพราะว่าเราไม่ฉลาดเราคิดไม่เป็นเรามองไม่รอบครอบเรามองเพียงมิติเดียวไม่มองแต่ด้านดีไม่มองแต่ด้านที่ไม่ดีไม่รู้ว่าทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนเป็นธรรมดาของทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิม มันต้องมีการเปลี่ยนส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีของมันจะต้องเสื่อมของซื้อมาใหม่ๆใช้ไปสักพักเดี๋ยวมันก็เสียพอเสียก็ปวดหัวแล้วสิซื้อรถมาใหม่ๆที่ว่าไปไหนมาไหนสะดวกสบายแต่พอวันไหนก่อสตาร์ทขึ้นมาไม่ติดแล้วทำไงรถไม่ติดละรถยางแตกและนี่ื่้งปวดหัวก็ตามมาเลยนี่เราต้องใช้ปัญญา ถึงจะเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนมันจะต้องเสื่อมจะต้องเสียได้มาแล้วเดี๋ยวจะต้องปวดหัวกับมันถ้าไม่อยากจะปวดหัวก็อย่าไปอยากอย่าไปเอามันดีกว่านี่นะพอเราเห็นทุกอย่างว่ามันจะทำให้เราปวดหัวเราก็อย่าเอามันดีกว่าอยู่แบบไม่มีอะไรกับสบายกว่าอยากจะมีความสุขก็เข้าไปนั่งสมาธิดีกว่า อันนี้สมาธินี้ซื่อสัตย์กับเราเข้าสมาธิททไรมันจะให้ความสุขกับเราได้ทุกครั้งมันจะไม่มีวันเปลี่ยนเหมือนกับคนหรือของต่างๆที่จะต้องคอยเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ น, นี้คือการใช้ปัญญาที่จะมาแก้ที่มาทําลายเชื้อโรคคือความหลงความอยากต่างๆทํ า, าทให้เราหายอยากหา ย, หายหลงทําให้เราไม่ต้องการอะไรทําให้เราอยู่คนเดียวได้เอ พออยู่คนเดียวได้เราก็จะสบายแม้แต่ร่างกายเราก็จะไม่หลงเราก็ต้องเราก็จะรู้ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็จะไม่พึ่งมันเราจะไม่ใช้ร่างกายพาเราไปเที่ยวพาเราไปหาความสุขถ้าเราต้องการหาความสุขเราก็เข้าไปในสมาธิแทนต่อไปเวลาร่างกายแก่เจ็บตายเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราสามารถเข้าสมาธิได้ในทุกเวลา ไม่ว่าร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็เข้าสมาธิได้นี่แหละคือวิธีที่จะทำให้ใจของเราอยู่อย่างปลอดภัยอยู่อย่างน่มเย็นเป็นสุขไปตลอดเราต้องมีทำสี่ชนิดที่เป็นเหมือนปัจจัยสี่ของร่างกาย เราต้องทําบุญทําทานที่เป็นเหมือนอาหารเราต้องรักษาศีลที่เป็นเหมือนเสื้อผ้าอภรรยเราต้องนั่งสมาธิที่เป็นเหมือนบ้านที่ว่อาศสยเราต้องกินยาคือปัญญาสอนใจให้เห็นไตายรักเห็นนั้นนี้จังทุกขังอนัตตาอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะหายากหายหลง แล้วเราจะอยู่แบบไม่มีอะไรได้อยู่อย่างมีความสุขเพราะเราเมื่อไม่มีอะไรก็จะไม่มีอะไรให้เราเสียนั่นเองถ้ามีอะไรเดี๋ยวก็ต้องเสียสิ่งที่เรามีไปพอเสียก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันถ้าไม่มีอะไรจะเสียมันก็ไม่มีอะไรมาให้เราต้องร้องห่มร้องไห้เราก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขไปตลอด แล้วเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเพราะเราไม่ต้องการมีร่างกายแล้วเรารู้แล้วว่ามีร่างกายมันทุกข์เราก็ตัดความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราอทุ ก, การต้องการมีความสุขก็ทำใจให้สงบนังับความอยากต่างๆใจก็เกิดความสุขขึ้นมาทันทีนี่คือเรื่องของการเลี้ยงดูจิตใจที่เหมือนกับการเลี้ยงดูร่างกาย ต้องเลี้ยงดูร่างกายด้วยอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยเราก็ต้องเลี้ยงดูจิตใจด้วยอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคของใจคือทําบุญทําทานรักษาศีนั่งสมาธิเจริญปัญญากันแล้วร่างกายของเราและจิตใจของเราก็จะอยู่อย่างเป็นสุขทั้งสองส่วน สำหรับใจก็อยู่เป็นสุขไปจนไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดส่วนร่างกายก็อยู่เป็นสุขไปจนวันตายเท่านั้นแต่พอร่างกายตายแล้วต่อไปเราก็ไม่มีร่างกายอีกต่อไปเพราะใจเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขก็ขอให้ท่านจงเอาไปพิเนธพิจน า, าเพื่อให้เกิดความล่มเย็นเป็นสุขทั้งทางกายและทางใจที่จะตามมาต่อไป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 จันโทปันาราโสยะามะนีโชติอราโสยะาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะโตอันตราโยสุขีทีขายุโกภวา พิวาทานสิลิตสานิจังวุธาปจายโนจตารโธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามาสา0ร้อยหกสิบ y o u t u หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดวิทยุออนไลน์ยี่สิบเอ็ดรับฟังข้างบนนี้สี่สิบเจ็ดคน <c oughs> รวมทั้งหมดห2รอยี่สิบห้าครับอันนี้คนย้ายจาก Facebook ไปทาง YouTube มากขึ้นนะเ c e b o o กมาก่อนสี่ร้อยกว่าอันนี้ลดเหลือสามร้อยกว่า YouTube มาก่อนไม่ถึงร้อยอันนี้ร้อยกว่าสองร้อยกว่า YouTube นี่มันงะเข้าง่ายกว่าไม่ต้องเป็นสมาชิกก็เข้าได้แต่เดี๋ยวนี้เป็นเอดีด้วยนะถ้ามีคำถามอะไรก็อ่านได้เลยคำถามจากคุณจินพัก มีข่าวเรื่องภัยพิบัติว่าจะเกิดช่วงปีใหม่รู้สึกสะเทือนใจต้องวางใจอย่างไรครับอะไรจะเกิดก็เกิดนะทำอะไรมันได้นะเคเซราเซรา whatever will be will be yeah. คำถามต่อไปจากคุณกังวานค่าตัวตายโดยที่เขาเป็นโรคซึมเศร้า ทำบุญไปให้เขาเขาจะได้รับไหมครับมีวิธีไหนที่จะทำบุญให้ได้รับครับเขาทำอาจจะขาดเจตนาหรือเปล่าครับเพราะเกิดจากโรคภัยแบบนี้เขาจะบาปมากไหมครับมันบาปเพราะคนเราอยู่ดีๆถ้ามันไม่ตั้งใจมันไม่ค่าตัวมันไม่ค่าหรอกมันอยู่มันไม่ตั้งใจมันก็นั่งเฉยๆน แต่มันทําอะไรมันก็ต้องตั้งใจก่อนถึงจะทำได้ใจต้องสั่งก่อนร่างกายถึงทําได้ที่ทําไปแล้วจะไปเป็นอะไรนี่ก็มันพูดยากถ้าเขาเป็นเปรตก็รับได้ถ้าเป็นอย่างอื่นก็รับไปได้คําถามจากคุณเซส มีวิธีลดนันทิความเพลิดเพลินนี้ได้ด้วยอุบายใดชัดที่สุดครับก็เห็นความไม่เที่ยงของมันไย ง, งานเลี้ยงย่อมมีวันสิ้นสุดลงความสุขทุกรูปแบบไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องหมดมคำถามต่อไปจากคุณชนะพระอาจารย์สอนว่านรกอยู่ที่ใจไม่มีสถานที่ แสดงว่ากระทะทองแดงต้นงิ้วก็ไม่มีจริงใช่ไหมคะมีไงมันอยู่ในใจเราไงเวลาเรานอนหลับแล้วไปเจอมันตอนที่เราหลับเนี่ยตอนที่เราฝันเนี่ยตอนที่เราตายเนี่ยมันก็เหมือนตอนที่เรานอนหลับเราก็จะฝันว่าไปตกอยู่ในกระทะทองแดงไปปีนต้นงิ้วมันจะเจอในเจอในความฝันแล้วมันจะคิดว่าเป็นความจริงเพราะเวลาเราฝันเราไม่รูว่าเราฝันใช่ไหม เวลาที่เราฝันนี่เราคิดเป็นเรื่องจริงใชมะจะมารู้อีกทีก็ตอนตื่นขึ้นมาแล้วอ๋อเมื่อกี้ฝันไปเนี่ยวะ่ะแต่ตอนที่กำลังฝันอยู่นี่มันเหมือนกำลังเป็นของจริงอยู่ยัะอย่าไปคิดว่าความฝันนี่ไม่ใช่เป็นของจริงนะความฝันนี่แหละเป็นของจริงเวลานอนหลับฝันร้ายตื่นขึ้ น, นมาเนี่เหงื่อแตกพักหมยมออนันแหล ะ, ะคือผลของบุญหรือบาปถ้า ทำบุญฝันดีฝันได้ไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปนุ่ไปพบแต่สิ่งที่ดีๆต่างๆ ต, ตื่นขึ้นมายังอยากจะกลับไปนอนต่อเลยไม่อยากจะมาเจอโลกของความจริงสู้กลับไปนอนฝันดีกว่าฝันแล้วมีความสุขคาถามต่อไปจากคุณเซสการอธิษฐานจิตไม่ขอกลับมาเกิดอีกนั้นไม่พ้นวิสัยที่จะทาได้ใช่ไหมคะ มีวิธีวางจิตอย่างไรให้ทุกวันให้เห็นทุกอย่างเป็นธรรมดาอ๋อก็ต้องสอนใจฝึกใจปฏิบัตินั่งสมาธิทำใจให้เป็นกลางก่อนทำใจให้ใสก่อนถ้าไม่นั่งสมาธิใจจะโม้ด้วยความหลงจะไม่เห็นความจริงจะไม่เห็นอ น, นิจจงทุกขังอนัตตาพอทำใจให้สงบใจจะใสเหมือนแว่นตาที่เรา ใส่แล้วมันมัวเวลามัวมองเห็นไม่มองเห็นอะไรไม่ชัดเห็นแมวเป็นหมาก็ได้พอเราเอาแว่นตาไปล้างไปเช็ดให้มันใส่พอใส่ที่นี่เห็นชัดเห็นแมวเป็นแมวเห็นหมาเป็นหมาอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไม่นั่งสมาธิใจเราจะถูกความมัวเมาความหลงหุมห่ออยู่ทำให้เราเห็นผิดเป็นชอบ เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าสุขเห็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเราแต่พอเราทำใจให้สงบทำใจให้ใสเวลาเรามองความจริงเราจะเห็นชัดว่าอ๋อ oh, อันไม่เที่ยงนะอันนี้อันนี้เป็นทุกข์นะอันนี้ไม่ใช่ของเรานะแล้วมันก็จะปล่อยวางได้ตัดความอยากที่อยากได้สิ่งต่างๆได้ พอตัดความอยากได้ก็ตัดการกลับมาเกิดได้คําถามต่อไปจากคุณใหญ่เวลานั่งสมาธิแล้วพุโทโธมันหายเหมือนคนหลับจะแก้ไขอย่างไรครับก็ก็ตื่นใหม่สิปลุกมันขึ้นมาใหม่ถ้ามันยังหลับเรื่อยๆก็อย่าเพิ่งนั่งเดินก่อนเดินพุโทโธไปก่อนเดี๋ยวให้เกิดมีกําลังพุโทโธให้มากก่อน เดินจนกว่ามันไม่หลับแล้วก็มานั่งใหม่คําถามต่อไปจากคุณจินคอปในกรณีที่อยากฝึกระลึกชาติควรทําอย่างไรครับเราไม่ดูเหมือนกันนะการจะฝึกระลึกชาติก็ต้องฝึกความจำนะฮะหัดฝึกความจำอยู่เรื่อยให้จําวันนี้ได้จําเมื่อวานนี้ได้จําเมื่อเลนวันก่อนได้อ วันไหนไปทำอะไรพยายามจำอยู่เรื่อยๆถ้าความจำดีต่อไปมันก็ระลึกชาติได้เอง <c oughs> คำถามต่อไปจากคุณอินทรีย์ีสังวรเราควรจะฝึก การเข้าออกสมาธิให้คล่องก่อนหรืออยู่ในสมาธิแต่ละครั้งให้นานขึ้นและควรจะเริ่มพัฒนาส่วนไหนก่อนจะดีกว่าครับมันก็ทั้งสองอย่างทั้งมันก็ต้องคล่องด้วยแล้วก็ต้องให้มันนานด้วยให้มันลึกด้วยให้มันเข้าไปถึงฐานของจิตเลยมันต้องให้ได้อัปปนาสมาธิแล้วก็อยู่นานๆเพราะยิ่งนานเท่าไหร่จิตจะมีอุเบกขามากขึ้นไปเท่านั้น จิตจะใสจะเห็นชัดพูดอ น, นิจจังก็จะเห็นอ น, นิจจังทันทีแต่ไม่ไม่เห็นนะต้องไปสอนมันอีกทีนึ่งไม่ใช่มีสมาธิแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นมาอัตโนมัติไม่เกิดนะยังต้องสอนมันว่าอ น, นิจจังเป็นยังไงทุกขังเป็นยังไงอนัตตาเป็นยังไงแต่ถ้าสอนแล้วมันจะเห็นแต่ถ้าใจที่ไม่มีสมาธิสอนมันยังไงมันก็ไม่เห็นอย่างนั้น บอกว่ามันเป็นทุกข์นะอย่าไปมีแฟนนะพ่อแม่สอนลูกกี่ครั้งอย่าไปมีแฟนลูกมันก็ไม่เชื่อลูกมันก็เห็นว่าเป็นสุขอยู่นั่นแะแต่ถ้าไปมีสมาธิแล้วเวลามาพูดรายกันด้วยเหตุด้วยผลนี่มันจะเห็นเห็นเหตุเห็นผลคำถามต่อไปจากคุณวิการที่เรานำเงินไปช่วยซ่อมแซมกุฏิ แต่เรายังไม่ได้อุทิศบุญเนื่องจากลืมเราสามารถอุทิศบุญในวันอื่นได้ไหมเจ้าคะได้วันไหนที่เราจะนึกขึ้นมาแล้วก็อุทิศได้แต่มันอาจจะมันอาจจะไม่สดเหมือนกับวันที่เราทำปุ๊บทำเราอุทิศปับ๊บเป็นสดสดร้อนๆก็เป็นเหมือนอาหารอาหารจืดชืดไปหน่อยอาหารเย็นแล้วแต่ก็ยังอุทิศได้ถ้าเรายังไม่ได้อุทิศก็อุทิศได้ คำถามต่อไปจากคุณกมลวันคนที่ทำกรรมเวรแล้วยังไม่รู้สึกแล้วยังไม่หยุดจะรับกรรมไปนรกกลุ่มไหนเจ้าคะก็แล้วแต่กรรมที่ทำว่ามันมันหนักหรือเบาไงนรกมันมีหลายขุมเหมือนคุกมีมีโทษหลายระดับจำคุก5้าปีสิบปียี่สิบปีตลอดชีวิตมันก็ขึ้นอยู่กับ ความผิดที่ทำไว้ว่ามนหนักมันเบาบาป ท, ที่เราทำมันก็มีหนักมีเบาต่างกันไปการจะไปรับโทษในนรกมันก็เลยมีต่างกันไปทุกมากทุกน้อยทุกนานไม่นานเนี่ยมันอยู่ตรงนั้น คำถามต่อไปจากคุณสมบูรณ์การทําบุญโดยไม่ได้อธิษฐานจะได้บุญไหมเจ้าคะได้บุญไม่ได้เกิดจากการอธิษฐานบุญเกิดจากการกระทำํำอธิษฐานแล้วไม่ได้ทําบุญก็ไม่ได้บุญอธิษฐานนี้ไม่เกี่ยวคือก่อนจะทําบุญมันต้องอธิษฐานก่อนเข้าใจไหม คำว่าอธิษฐานเราต้องเข้าใจว่าคือความตั้งใจไม่ใช่มาถือของอยู่เหนือศีรษะแล้วว่าขอนู่นข อ, อนี่ขอให้อันนี้ไม่ใช่อธิษฐานอธิษฐานก็คือวันคิดไว้ในใจว่าวันนี้จะทำบุญวันนี้จะใส่บาตรอันนี้เรียกอธิษฐานแล้วคนเราจะทำอะไรนี่มันต้องคิดที่ใจก่อนถึงจะมาทำที่ร่างกายได้ใจต้องสั่งก่อนร่างกายถึงจะทำได้การสั่งของใจเนี่ยเรียกว่าอธิษฐาน พวกนี้ไปใส่บาต ร, รนะเนี่ยเรียอธิษฐานแล้วพออธิษฐานถ้าเราไม่อธิษฐานวันน so. ี้พวกนี้จะไปใส่บาตรก็ไม่ได้ไปใส่บาตรเพราะพวกนี้จะไปเที่ยวแทนอย่างเงี้ก็เลยไม่ได้ไปใส่บาตรถ้าเราอยากจะใส่บาตรเราก็ต้องคิดวันนี้ก่อนแล้วว่าพวกนี้เราต้องไปใส่บาตรนะจะไปทําอะไรก็ใส่บาตรก่อนอย่างนี้เรียกว่าอธิษฐานคือความตั้งใจตั้งเป้าหมายไม่ได้หมายถึงการขอ แต่เรามักจะเข้าเราจะใช้คําอธิษฐานว่าขอกันขอให้ได้นู่นให้ได้นี่ทำบุญแล้วขอให้ไปนิพพานเหมือนซื้อตั๋วไปเมืองชนแต่จะขอให้ไปถึงกรุงเทพมันไม่ถึงหรอกซื้อตั๋วไปเมืองชนมันก็ไปได้แค่เมืองชนเท่านั้นถ้าไปกรุงเทพก็ต้องซื้อตั๋วที่เขาจะไปกรุงเทพทีนี้ไปกรุงเทพได้ ถ้าอยากจะได้นิพพานก็ต้องออกบวชปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยถึงไปนิพพานได้คำถามต่อไปจากคุณการระยะเวลาสำหรับผู้เริ่มนั่งสมาธิจะใช้เวลานา น, านกี่เดือนจึงจะถึงจุดสงบว่างเปล่าได้ครับและทุกคนที่มาปฏิบัติสามารถถึงความสงบว่างเปล่าได้เหมือนกันทุกคนไหมครับแล้วแต่ความสามารถ เหมือนคนที่ไปเล่นกีฬาบางคนก็ได้เหรียญทองบางคนก็ได้เหรียญเงินบางทีก็ได้ทองแดงบางทีไม่ติดอันดับเลยถูกเขาคัดออกไปสมัครไปแข่งกีฬาระดับไหนก็ถูกคัดชื่อออกคัดชื่อออกเพราะความสามารถไม่มีพอที่เขาจะคัดให้ไปอยู่ในระดับได้คนนักปฏิบัติก็เหมือนกันความสามารถนม้ากน้อยไม่เท่ากัน เวลาเริ่มต้นถึงได้ผลมากน้อยไม่เท่ากันไ ป, กไปใกล้ไปไกลไม่เท่ากันแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไปต่อไม่ได้พอเราเริ่มต้นแล้วเราไปได้แค่คืบหนึ่งเราก็พัฒนาได้ให้มันไปเป็นศอกเป็นวาได้ถ้าเราได้เป็นกิโลได้เราก็เพิ่มเป็นสิบเป็นร้อยได้นี่มันความสามารถของทุกคนมีมีสมรรถภาพที่จะพัฒนาได้ แต่เวลาจุดเริ่มต้นนี้เริ่มต้นไม่ไม่ใช่จุดเดิมเท่ากันเพราะว่าในแต่ละชาติเราทำมาไม่เท่ากันเหมือนเราเราวิ่งมาวิ่งมาไม่เท่ากันคนที่วิ่งไบไกลแล้วเขาก็ไปเริ่มจุดที่ไกลคนที่เพิ่งเริ่มที่ใกล้ก็ต้องไปเริ่มที่จุดที่ใกล้มันเป็นอย่างนั้นงั้นอย่าไปกังวลกับเรื่องของคนนั้นคนนี้ว่าเขาเร็วเขาช้าเขาง่ายเขายาก อันนั้นเป็นเรื่องของเขาเพราะเขาเคยฝึกฝนอบรมมาไม่เท่ากันเรามาดูที่ตัวเราก็พอตัวเราตอนนี้ได้เท่าไหร่ยากง่ายอย่างไรก็ไปพยายามทําให้มันง่ายของยากทาให้ง่ายได้ถ้าเรารู้จักวิธีศึกษาการปฏิบัตินี่จะยากง่ายอยู่ที่การฝึกสติถ้าเราฝึกสติได้มากมันก็จะง่ายฝึกสติได้น้อยมันก็จะยาก อย่างนั้นขั้นตอนนี้เราต้องไปฝึกสติกันให้มากๆแล้วเวลานั่งมันจะง่ายมันจะได้มากคำถามต่อไปจากคุณบีมพ์การปฏิบัติของพระท่านจะนอนไม่เกิน4ี่ชั่วโมงเพราะเพียงพอต่อการพักผ่อนของร่างกายแล้วถ้านอนน้อยแบบนี้ในชีวิตประจำวันสำหรับบุคคลธรรมดาจะเป็นอันตรายไหมครับ ไม่รู้เหมือนกันก็ลองทำดูสิพิสูจน์ได้ทำดูสักพักหนึ่งถ้ามันเป็นอันตรายก็อย่าไปทำมันที่มันต่างกันก็เพราะว่าคนที่ไม่ได้บวชนี่มันมีภารกิจการงานที่ต้องใช้ร่างกายใช้แรงงานมากความต้องการพักผ่อนของร่างกายมันก็เลอามาก งั้นเราอย่าไปฝืนอนเรดูตามความต้องการของร่างกายเวลานอนแล้วอย่าไปบังคับให้มันตื่นเวลานั้นเวลานี้ให้มันนอนให้มันพอพอมันพอแล้วมันตื่นขึ้นมาเองเพียงแต่ว่าพอมันตื่นแล้วอย่านอนต่อเท่านั้นถ้านอนต่อนี่มันเป็นกิเลสแล้วแต่ถ้าไม่ได้ไปนอนต่อปล่อยให้ร่างกายมันพักของมันไปพอมันอิ่มตัวมันได้พักผ่อนพอมันจะตื่นขึ้นมาเอง เอาดูตามธรรมชาติอย่าไปดูนาฬิกาแต่สำหรับพระนี้ต้องต้องมีมาตรฐานที่สูงหน่อยถ้าไม่บังคับมันมันจะถูกกิเลส ด, ดึงไปอยู่เรื่อยก็เลยต้องบังคับพระเจ้าได้พิสูจน์แล้วสำหรับพระนี่นอนแค่สี่ชั่วโมงก็พอ คำถามต่อไปจากคุณกำมลวรรณเวลานั่งสมาธิแล้วคิดโน่นนี่ไปเรื่อยๆอย่างนี้แสดงว่าเราทําสมาธิไม่ได้ใช่ไหมคะเราไม่มีสติไงเราต้องฝึกสติก่อนมานั่งเราต้องฝึกพุทธโธพุทธโธอยู่เรื่อยๆควบคุมความคิดไว้ก่อน <c oughs> ถ้าเราครวบคุมได้เวลานั่งมันก็จะไม่คิดโน่นคิดนี่ <c oughs> ถ้าไม่เคยฝึกสติเลยพอมานั่งมันกคคิดอยู่มันก็คิดต่อไปนะ คำถามต่อไปจากคุณสังโคผมวิปัสสนามากๆแล้วปดสวดมนต์กลับจำไม่ได้แต่คุ้นๆอันนี้มีวิธีแก้ไขอย่างไรครับก็สวดบ่อ ย, อยๆเลยไมีวิปั ส, สนาไม่ไปสวดมันก็ลืมได้ไม่อยากจะลืมก็สวดมันทุกวันถ้าสวดทุกวันมันก็จะจำได้คำถามหมดครับมแล้วนะมีใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้นะ ไม่คิดเงินไม่เก็บเงินที่นี้ไม่เหมือนที่ทางโลกเวลาใครไปหาจิตแพทย์นี่ต้องเสียค่าค่าจิตแพทย์แะ้วเขาคิดเป็นนาทีเลยเออไปหาจิตแพทย์นาทีละอเมริกานี่ชั่วโมงละร้อยเหรียญชั่วโมงละสามพันไปนอนระบายให้หมอจิตแพทย์ฟัง อไม่สบายเกี่ยวว่าเรื่องแฟนเรื่องลูกเรื่องอนู่เรื่องนี้จิตแพทย์ก็นั่งฟังเออเออเออเอ อ, เ, อเดี๋ยวก็แนะนำว่ า, าไปกินยากล่อมประสาทไปอย่าไปคิดถึงอะไรคำถามต่อไปจากคุณแจ็คพอดีเจอมแมลงสาบในห้องเลยใช้ไมก้กวาดกวาดให้เขาออกไปนอกห้อง เขาวิ่งหลบไปใต้โต๊ะเลยยกโต๊ะขึ้นระหว่างยกลงมแมลงสาบวิ่งออกมาพอดีเลยทับทำให้เขาบาดเจ็บแต่ไม่ตายไม่รู้จะทำอย่างไรเลยกวาดเขาออกไปข้างนอกเขาก็ยังคงพอเดินได้แต่ไม่น่าจะรอดมาดูอีกทีมดขึ้นแล้วครับแบบนี้เป็นบาปไหมครับ ม, รร ม, มันตายเพราะใครล่ะใครไปทำให้มันตาย คำถามต่อไปจากคุณพาสเวการสวดมนต์ถือว่าเป็นการภาวนาหรือไม่ครับเป็นการฝึกสติใช่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการภาวนาการภาวนาต้องเริ่มต้นที่สติก่อนมีสตินั่งสมาธิก็เรียกว่าสมถะภาวนาพอมีสมาธิแล้วเอาสติดึงใจไปคิดทางปัญญาก็เป็นวิปัสสนาหลักการเนี้ย มีคำถามแล้วหนูหนูถามได้ถ้าสมมติว่าตั้งใจจะใส่บาทตอนเช้าอย่างนี้นคะ่ะคือตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนแต่แบบไม่ตื่นมาใส่บาทอย่างเงี้ยบาปไหมคะไม่บาปแล้วก็เพียงแต่เป็นคนไม่มีสัจจะโกหกตัวเองอหลอกลวงตัวเอง ก็คือมันไม่บาปแต่มันจะไม่ได้บุญมันไม่ได้สําเร็จประโยชน์ไม่ได้ทําบุญนะแต่มันก็จะทําทให้เราทําอะไรไม่สําเร็จสันทีคิดจะทําอะไรคิดวา่วาพระวา่าภาพ ส, สวยจะทําทนูน่ทนทํานี่พอถึงเวลาจริงๆไม่ทําเปลี่ยนใจเห็นถ้าเราอยากจะให้ทําตามที่เราคิดเราต้องมีสัจจะอธิษฐานแล้วก็ต้องมีสัจจะควบคู่ไปด้วยคือถ้าตั้งใจจะทําทแล้วต้องทําตามที่ตั้งใจไว้ ถึงจะสามารถทําให้เกิดผลขึ้นมาได้ยังต้องหัดฝึกสัจจะถ้าเราไม่มีสัจจะก่อนที่เราจะตั้งอะไรต้องถามตัวเองว่าทาได้หรือไม่ถ้าทําไม่ได้แล้วมีมาตรการลงโทษมันหรือเปล่าต้องมีมาตรการลงโทษด้วยเอเช่นห้ามดูละครหนึ่งเดือนหรือห้ามไปเที่ยวหนึ่งเดือนอะไรทํำนองนี้เอแล้วถ้าเราสามารถ ลงโทษตัวเราเองได้ต่อไปเราจะเราก็จะไม่กล้าทาผิดเนียเราก็จะทำตามที่เราตั้งใจได้ถ้าเราไม่ไม่มั่นใจเราก็อย่าไปตั้งใจสิถ้าเราไม่มั่นใจพวกนี้เราจะใส่บาตรหรือไม่ก็อย่าไปตั้งใจ <S <S ไม่ตั้งใจแต่ได้ใส่กับดีกว่าตั้งใจแล้วไม่ได้ใส่เราไม่เราไม่มั่นใจเราไม่ตั้งใจ แต่พอตื่นขึ้นมาจังหวะดีพร้อมที่จะใส่ก็ใส่มันเลยอย่างนี้ก็ยังยังได้ผลเพียงแต่ว่าการตั้งใจมันดีตรงที่ว่ามันบังคับให้เราได้ทำในสิ่งที่เราควรจะทำถ้าเราไม่ตั้งใจเราปล่อยให้เป็นอารมณ์ตามความสะดวกถ้ามันมีอารมณ์จะทำก็ทำสะดวกก็ทำถ้าไม่สะดวกไม่มีอารมณ์ก็อาจจะไม่ทำ แต่ถ้าเราตั้งใจแล้วจะมีอารมณ์แล้วไม่มีอารมณ์จะสะดวกไม่สะดวกถ้าเรามีความตั้งใจที่แน่วแน่เราก็ต้องเราก็จะต้องทำสมม่งไมค์กลับไปคำถามต่อไปจากคุณแบงค์ครับการที่เราชอบทำของหายหลงหลงลืมลืมนั่งสมาธิจะช่วยได้ไหมคะไม่ได้หรอกกนไม่มีสติมัน มันงงนมืมพันไม่มีสติเวลาทําใจทำอะไรอยู่ใจก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอทําเสร็จก็เลยจําไม่ได้ว่าทําไปหรื อ, อยังเอาของวางไว้ที่ไหนบางทีก็ไม่มีสติรู้ว่าอาไว้ตรงไหนพอวางไว้แล้วเดี๋ยวพอจะมาหามันไม่รู้ไว้ตรงไหนแล้วบางทีแว่นตาวสวมไว้ที่บนศีรษะเนี่ยเดินหามันวุ่นไปหมดมันอยู่ที่ศีรษะเรานหนึ่ง น, น, นี่คือการไม่มีสติ ถ้ามีสติลราทำอะไรเราจะต้องรู้ทุกวิริยาบทของการเคลื่อนไหวพอเรารู้เราก็จะจาได้ยันคนที่จะความหนงๆ ล, ลืมๆไม่มีสตินี้ยังนั่งไม่ได้หรอกนั่งก็นั่งก็เดี๋ยวก็พุโทโธคำสองคำก็ลืมไปลวหายไปละต้องมาฝึกสติใหม่ต้องฝึกพุโทโธพุโทโธดึงใจให้ตั้งมั่นก่อนให้อยู่กับปัจจุบันก่อนให้รู้ว่ากาลังทาอะไรอยู่ก่อน ถ้าไม่งั้นนั่งเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวพอไม่มีสติมันก็เผลอไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ถ้ายิ่งคิดมันก็ยิ่งไม่สงบะยังต้องฝึกสติก่อนต้องหัดพุดโทโธพุทโธหยุดความคิดหยุดแท้ใจอย่าให้ใจลอยไปที่นูน่นที่นี่ให้มันอยู่ในปัจจุบันให้มันอยู่กับการกระทําของร่างกายให้รู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ก่อนคําถามต่อไปจากคุณตุกครับ คุณแม่ทำหมันตุกเป็นลูกที่เกิดโดยบังเอิญนะแต่โตแล้วเรียนช่วยตัวเองส่งเงินให้แม่ตลอดแต่แม่ไม่เคยแฮปปี้มีแต่ตำหนิเสียใจแม่จะคิดว่านั่นคือหน้าที่ของลูกที่ต้องดูแลเขาเสียใจ no appreciation but expectation ก็เราอย่าไปหวังผลตอบแทนจากใครการทำบุญนี่เราทำเพื่อ ให้อาหารกับใจเราตัดความอยากที่จะใช้เงินไปในทางที่ไม่ดีส่วนคนรับเขาจะพอใจไม่พอใจก็เรื่องของเขาถ้าเราคิดว่าเราเป็นหนี้เขาเช่นพ่อแม่เราเราเ็าเราเป็นหนี้บุญคุณเขาเขาเลี้ยงเรามาเขาให้กำเนิดเราเขาอาจจะไม่ยินดีต่อการกำเนิดของเราไม่ยินดีกับการเลี้ยงดูแต่อย่างน้อยเขาก็ทำ เราก็ยังถือว่าเป็นหนี้เขาอยู่แต่เราอยากจะใช้นี่ก็ใช้ไปแต่เราอย่าไปหวังให้เขาพอใจขอบใจเราหรืออะไรเราถ้าเราไปหวังมันไม่ได้เป็นการทำบุญมันเป็นการซื้อขายยื่นหมูยื่นแมวกันให้สิ่งนี้คนให้สิ่งนี้เรากลับมาอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นการทำบุญให้เราคิดว่าเป็นการทำบุญเราไม่ต้องหวงหวังอะไร เราทำบุญเพื่อเสียสละเพื่อตัดกิเลนความโลภความอยากของเราแล้วเราจะมีความสุขมากขึ้นจากการทำบุญของเราแล้วเราจะได้รู้สึกว่าเราได้ทดแทนบุญคุณผู้ที่เขามีพระคุณกับเราด้วยความมีความกตันอยู่นี้เป็นคุณสมบัติที่ดีของคนดีเพราะคนที่มีความกระตันอยู่นี้ใครก็อยากจะคบค้าสมาคมด้วยคนที่อกตันอยู่นี้จะไม่มีใครเขาอยากจะ คบค้าสมาคมด้วยเพราะทำช่วยแล้วก็ไม่เห็นบุญคุณไปช่วยเ็าทำไมคำถามต่อไปจากคุณจินคอบกราบขอคำแนะนำเรื่องการพิจารณาปฏิจจส ม, มุปบาทครับปฏิจจส ม, มุปบาทนี่มันเป็นเรื่องของการทำงานของกิเลสนั่นเอง กิเลสที่มาควบคุมใจของเราสั่งให้ใจเราคิดสั่งให้ใจเราไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนะี่อวิชชาคือกิเลสอวิชชาจะสั่งให้สังขารปรุงปรุงไปหารามยศสรรเสริญปรุงไปหารูปเสียงกลิ่นรสพอปรุงแล้วก็ต้องออกไปทางร่างกายเพราะต้องสั่งให้ร่างกายเป็นผู้ไปหามาอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องสั่งให้ ตาหูจมูกนิ้งกายไปหารูปเสียงกลินนะ่นรสพอตาไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสตาหูจมูกนิ้กายสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสก็เกิดความสุขความทุกข์ขึ้นมาถ้าเสพสัมผัสกับสิ่งที่ชอบก็เกิดความสุขสัมผัสกับสิ่งที่ไม่ชอบก็เกิดความทุกข์ไม่สบายใจขึ้นมาลรวเรียกว่าเวทนาพอเกิดเวทนามันก็เกิดตัณหาความอยากขึ้นมา พอสัมผัสกับสิ่งที่ชอบได้ความสุขก็อยากจะได้มากๆอยากจะเสพบ่อยๆพอไปสัมผัสกับเวทนาที่ไม่สุขก็อยากจะหนีมันอยากจะให้มันหายไปมันก็เกิดตัณหาขึ้นมาพอเกิดตัณหามันก็เกิดอุปทานพอได้อะไรมาแล้วก็ยึดติดอยากจะให้มันอยู่กับเราเป็นของเราเป็นานานๆพอมันไม่อยู่มันเรา ก, รา ก, ราก็ต้องไปหาใหม่ก็เกิดภาวะใหม่ขึ้นมาเกิดพบใหม่ขึ้นมา เพราะความสุขที่เราได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายเดี๋ยวร่างกายก็ตายพอร่างกายตายอุปทานความยึดติดกับรูปเสียงกลิ่นรสมันยังมีอยู่มันก็จะพาให้เราไปเกิดใหม่ไม่มีภพใหม่ไปเกิดแก่เจ็บตายใหม่ต่อไปนี่คือเรื่องของอวิชชาปัจจยาสังขาร มีมีวิชาก็มีสังขารความคิดปรุงแต่งที่จะไปหาลาบยศจละเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสพอมีความคิดปรุงแต่งก็มันก็จะพาให้ใจออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายผังทางวิญญาณแล้วก็มาสัมผัสกับรูปเสียงก ล, ลิ่นรสก็เราก็จะได้สัมผัสกับเวทนาความสุขความทุกข์ต่างๆแล้วก็เกิดตัณหาความอยากแล้วก็เกิดอุปท า, านความยึดติดแล้วก็เกิดภาวะ เพราะว่าสิ่งที่ยึดติดเดี๋ยวมันหมดพอหมดก็ต้องไปหาใหม่เรียกว่าพบใหม่ภาวะใหม่ก็เกิดแก่เจ็บตายใหม่คำถามต่อไปจากคุณวิสติฝึกสติจากการใช้ท่าทางได้ไหมเจ้าคะเช่นยกมือวางยกมือตั้งขึ้นแต่สติเราจะอยู่ที่ท่าทางฝึกสติแบบนี้ได้ไหมเจ้าคะได้กระทุกเกลียบวบวการเคลื่อนไหวของร่างกาย ต้องให้ใจค อ, อยอยู่อย่าให้ไปคิดเรื่องอื่นมีคําถามว่าแบบส่งมาหมหมก็ก่อนนะกราบธรรมสถานะพระอาจารย์ผมเดินทางมาทีนี่เป็นครั้งที่สองครับใกลใกล้ไเสียงหนึ่งดังเลยผมเดินทางมาที่นี่เป็นครั้งที่สองครับจากกรุงเทพก็ระหว่างทางที่มาทั้งสองครั้งผมอาศัยรถตู้บ้าง รถประจำทางบ้างแต่พอใกล้มาถึงผมก็ได้เดินขึ้นตลอดเพราะว่าเหตุอันใดไม่รู้เพราะว่าผมไม่ได้ตั้งใจมาที่นี่อยู่แล้วครับเพราะว่าผมตั้งใจจะไปที่อื่นแต่พอดีมีเหตุบังเอิญให้มาที่นี่แล้วก็ครั้งแรกที่ได้ขึ้นมาบนเขาชีโอนเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจขึ้นเหมือนกันแต่มีเพื่อนแนะนามาว่ามีพระอาจารย์สุชาติ อยู่บนเขาสามารถขึ้นไปปฏิบัติได้โดยที่ผมไม่มีข้อมูลเลยครับผมก็เดินดุมดุม ด, มดุมขึ้นมาจนกระทั่งขึ้นมาถึงชั้นบนสุดผมก็ไม่รู้ธทมเนียมปฏิบัติและผมก็ถามคนแถวนี้บอกว่าไม่ทราบว่าพระอาจารย์สุชาติอยู่ไหนผมก็เลยถามว่า เ, เ, เขาเลยบอกว่า อ๋อลงไปอีกประมาณสองชั้นครับผมก็เลยลงไปพอลงไปผมก็เห็นกุฏหนึ่งที่อยู่ข้างล่างผมก็สรุปได้ไมม้ยจะถามอะไรถามียู่กัไม่ต้องมาเล่าอะไรให้ฟังและครับก็ถามอะไรก็ถามก็คือผมก็มาถึงโดยที่ผมเอถามอยากจะถามอะไรก็คือไม่มีอะไรถามก็หยุดไม่ต้องมาเล่าให้ฟังพระอาจารย์บอกว่าไม่ต้องมาตรงนี้ไปรอตรงนู้น ครับผมก็สงสัยว่ามาดุผมทำไมทั้งที่ผมก็ไม่รู้เรื่องเลยใครดุก็พระอาจารย์ดุผมมะดุเพื่อไรครั้งแรกที่เจอเลยครับอ่าไม่รู้ดุดุว่าอะไรเราจำไม่ได้แล้วบอกว่าอย่ามาตรงนี้ไปรอตรงนุ้นอ่าก็ไปที่กุฏิก็มันไม่ใช่ไปที่ไปให้มาที่ศาลาครับัแต่ผมไม่กุฏิไม่ใช่เป็นที่รับแขก แต่ผมไม่ได้โกรธนะครับผมก็รู้สึกขำครับว่าเดินขึ้นมาตั้งสี่ห้าโลแล้วมาโดนไล่อ่มันเรื่องรเราจะไม่รู้ว่าคุณเดินมาหรือบินมา <c oughs> คุณไม่ทําไม่ถูกแล้วก็บอกคุณทําไม่ถูกไปตามความจริงเท่านั้นเองไม่ได้อยู่ที่คุณเป็นใครมาจากไหนครับท่านี้เหร อ, อขอคําถามที่สออันนี้คําถามจริงนะครับ <c oughs> อันนั้นอันนั้นอยากเล่านิดนึงครับอ๋ อ, อครับผมมันจะยืดเยอหน่อยอันนี้ขอตรงประเด็นเลยครับอ่ ท้งที่สองเนี่ยผมก็จะม า, าต้องปเด็นเนั่ยถามเลยสิรักษาศีนอุบอุบโบสถห้าวันแต่เนี่ยเลยมาหนึ่งวันแล้วผมยังไม่ได้ไปรับศีนเลยครับก็ไปสิเพราะเกิดเหตุการณ์หนึ่งก็คือมีกลุ่มพิสุจส่งรูปหนึ่งกลุ่มไม่รู้กี่รูปพูดถึงผมว่าไอ้นี่มันบ้าๆบอๆแปลกๆ นินทาผมในเรื่องต่างๆผมอยากถามว่าการที่พระพิสุทิ์ที่มีศีล227เนี่ยนินทาคารวาตเป็นผิดหรือว่าผิดวินัยหรือว่าผิดระเบียบอะไรไหมครับก็ถ้ามันเป็นความจริงก็ไม่ผิดนะถ้าพูดตามความเป็นจริงก็ไม่ผิดถา้าพูดเท็จก็ผิดนะ เขาก็อาจจะเห็นเราว่าไม่สมประกอบไม่เหมือนคนทั่วไปเขาก็พูดไปตามที่เขาเห็นเราไม่ควรที่จะไปติดใจแต่ก็ผมสมาทานสีลห้าทุกวันนะครับผมรักษ า, าสีลห้า<ป>อาจจะด่างพร้อยบ้างแต่ไม่ถึงกับขาดทะลุครับอออพอแล้วพอแล้วจบแล้วครับออ ข, อขอบพระคุณครับ อันนี้ไว้เป็นที่ถามคำถามไม่ได้เป็นที่มาระบายนะคำถามตอบไปจากคุณบีมพ์การทำสมาธิให้ได้ผลการพักผ่อนเท่ากับการนอนหลับควรปฏิบัติอย่างไรครับการนั่งสมาธินี่เราเน้นไปที่การพักผ่อนของจิตใจส่วนทางร่างกายอาจจะไม่ดีเท่ากับการนอน การนอนทางร่างกายมันจะได้ได้มากกว่าการนั่งสมาธิยังไงถ้าอยากจะพักผ่อนทางร่างกายก็นอนดีกว่าพระพุทธเจ้าพาระลหานท่านก็ยังต้องนอนกันแต่เวลาท่านต้องการพักผ่อนจิตใจท่านก็นั่งสมาธิกันเพราะเวลานอนหลับบางทีจิตใจไม่ได้พักผ่อนจิตใจอาจจะคิดปรุงแต่งคิดฝันไปเรื่องราวต่างๆได้ฉะนั้นก็ต้องอยู่ที่ว่าเราต้องการพักอะไร ถ้าต้องการพกักจิตเราก็ต้องนั่งสมาธิถ้าต้องการพักผ่อนร่างกายเราก็นอนนคำถามต่อไปจากคุณอ้อมอยากทราบว่าถ้าเรามั่นใจว่าตัวเองทําดีคิดดีนั่งสมาธิแต่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราจะพ้นจากความบาปไหมคะเป็นคริสตแต่ชอบนั่งสมาธิครับบาปก็ถ้าเราไม่ทําบาปล้วก็พ้นบาปแนละ้ว ยังทําบาปอยู่ก็ยังไม่พ้นบาปเราละการกระทําบาปได้เราก็พ้นบาปไม่ได้อยู่ว่าเราเป็นคิดหรือเป็นพุทธเป็นอิสลามากฎแห่งกรรมนี้มันคุมไปทุกศาสนาไม่ว่าจะนับถือม่นับถือศาสนาใดก็ตามไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามกฎแห่งกรรมนี้มั น, เ ป, นเป็นกฎอัตโนมัติ ที่มันจะมีผลต่อจิตใจของผู้กระทำกรรมทุกคนกรรทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่ว่าจะเป็นคริสเป็นพุทธเป็นอิสลามทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วตายไปก็ไปสวรรค์ไปนรกเหมือนกันคำถามต่อไปจากคุณเซสทำไมเดี๋ยวนี้คนมักเป็นโรคซึมเศร้ากันมากหรือเป็นโรคแพนิค จะแนะนําเขาอย่างไรดีครับพอไม่เข้าวัดเข้าวากันนะ่ะคนไม่เชื่อศาสนาคิดว่าศาสนาเป็นเรื่ององมงายเลยไม่รู้จักว่าศาสนานี้เป็นที่สั่งสอนให้รู้จักควบคุมจิตใจไม่ให้เศร้าหมองไม่ให้ซึมเศร้าเลยปล่อยให้จิตใจไหลไปตามกระแสของความหลงความอยากพอไม่ได้สิ่งที่อยากได้ก็เสียใจน้อยใจหรือ เศร้าใจเสียมากๆไม่ได้มากๆผิดหวังมากๆก็เลยซึมเศร้าไปเพราะว่าไม่รู้จักวิธีรักษาใจไม่ให้ซึมเศร้าหมดนั่นเลยอโอเคก็พอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิน